อาช้า น, นี้เรานอกจากจะได้การสรเสริญคุณพระตนะไตรแล้วนะก็ยังได้บทน่นได้สวดบทที่เราเรียกส้นวันปผ า, าหุงหรือว่าพุทธิชยมงคลคาถาบทสวนนี้ก็นิยมสวดในงานมงคล อย่างเช่นการขึ้นบ้านใหม่นะก็สวดเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับการเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นเริ่มการเริ่มต้นอะไรก็ตามนะบ้านใหม่สำนักงานใหม่ก็เชื่อว่าจะทาให้เกิดสิริมงคลหรือแม้แต่งานอาวะมงคลนะพอสิ้สุด เช่นงานศพพอได้เผาศพเรียบร้อยแล้วนะก็นิมนต์พระมาทำบุญก็เหมือนกับว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ความสูญเสียได้เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปแล้วเป็นอดีตไปแล้วจากนี้ไปก็เริ่มต้นใหม่มองไปข้างหน้า เพื่อจะนำพาชีวิตให้เกิดความสุขความเจริญก็ถือว่าเริ่มต้นด้วยนะการทำบุญแล้วก็สวดคาถาที่ชื่อวยทำให้เกิดสิริมงคลก็อันนี้แหละพุทธชีมงคลณคาถาซึ่งก็ไม่จนเป็นว่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใดๆก็ได้บางคนก็ ทุกเช้าก่อนไปทำงานก็สวดถือว่าเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยสิ่งที่เป็นมงคลทำให้จิตใจเกิดความกล้าในธรรมรื่นเริองอาจหารในธรรมเพราะว่าบทสวดนี้ก็เป็นเรื่องของชัยชนะของพระพุทธเจ้าเป็นชัยชนะต่อพรหมต่อเทวดาต่อยักษ์ ต่อสัตว์ที่มีอนุภาพมากเช่นช้างแม้กระทั้งต่อผู้ร้ายที่น่ากลัวเช่นองคุลิมานหรือต่อคนที่ใส่ร้ายพระองค์อย่างนา ง, นางจินจมันวิกาผู้ง่ายคือว่าตั้งแต่พรหมลงมาจนถึงเดรัจฉานที่สามารถจะคุก ค, คามเป็นพิษเป็นภัยได้ก็ สามารถจะป้องกันและเอาชนะได้ไม่ใช่ด้วยอาชยาหรือด้วยอำนาจไม่ใช่ด้วยความรุนแรงด้วยโทสะแต่ด้วยความดีงามคือด้วยธรรมะนั่นเองอันนี้ก็ทำให้เกิดกำลังใจแล้วก็เป็นการเตือนสติให้ ผู้คนได้ใช้ธรรมะในการแก้ปัญหาแต่ว่าในส่วนนี้คนไม่ค่อยได้ได้นึกถึงเท่าไหร่นะเวลาสวดบทพาหุงแต่ว่าเกิดความรู้สึกอุ่นใจนะเพราะว่าได้สวดในสิ่งที่เป็นมงคลซึ่งเชื่อว่าจะปกป้องอันตรายได้ตัวเป็นการเริ่มต้นวันใหม่นะด้วยนะสิ่งดีงาม ที่จริงก็ไม่จำเป็นต้องสวดบทนี้ก็ได้นะสวดบทอื่นที่เป็นพุทธพจน์หรือว่าเป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้าที่เรื่องมามนก็เกิดความรู้สึกเป็นดีงามหรือว่าเกิดเป็นสวดดิมงคลเหมือนกันแ่สวดพาหุงนี่ไม่ใช่มาจากพระไตรปิฎกนะเป็นการแต่งเป็นการแต่ง จากทางลังกานี่เมื่อพันกับปีที่แล้วเป็นของรุ่นหลังแต่ว่าบทสวดบางที่เราสวดทุกเช้าเนี่ยอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากพระไตรปิฎกหรือว่าพุทธพจน์ส่วนใหญ่แต่ไม่ทั้งหมดนะแต่ถ้าเป็นบทสวดพิเศษนี่อันนี้เป็นพุทธพจน์หมดเลย ให้ทุกเช้าเราก็มาเริ่มต้นสิ่งที่เป็นสิริมงคลเหมือนกันหลังจากที่เราตื่นขึ้นมาเราล้างหน้าทำให้ร่างกายนะสะอาดเราก็มาชำระใจของเราให้สะอาดโดยการมาสวดมนต์แต่เช้ามดืดนะถือว่าเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยสิ่งที่เป็นสิริมงคล จัดเอาการสวดมนต์นี่เป็นกิจกรรมเริ่มแรกๆนะของวั น, นถ้าเราสวดมนต์แล้วเราน้อมใจให้ดีให้ถูกต้องนะก็จะเกิดมงคลขึ้นกับใจของเรากับตัวเราแล้วก็ช่วยทำให้เรามีสติที่จะช่วยเกื้อกูลสำหรับการดาเนินชีวิต ไปจนตลอดทั้งวันได้อาการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยธรรมะนะด้วยสิ่งที่เป็นสิริมงคลสิ่งที่ช่วยปลุกใจให้มีสติเนี่ยสำคัญมากเพราะมันจะเป็นพื้นฐานคือเป็นจุดเริ่มต้นของการนําพาชีวิตของเราให้เป็นไปในทางที่ดีงามตลอดทั้งวัน จริงแล้วเนี่ยความความราบรื่นในชีวิตของเราแต่ละวันแต่ละวันบ่อยครั้งมันก็เริ่มต้นมันก็มีจุดเริ่มต้นมาจากตอนเช้าถ้าเราเริ่มต้นตอนเช้าไม่ดีมันก็จจะส่งผลกระเทือนต่อไปนะตลอดทั้งวันไปในทางที่ไม่ดีก็ได้ ยังมีผู้ชายคนหนึ่งนะเป็นมีอยู่ด้วยกันพ่อแม่ลูกตอนเช้าก่อนที่จะไปทำงานก่อนที่ลูกจะไปโรงเรียนนะก็กินข้าวด้วยกันแต่ต้องเริ่มกินต้องกินแต่เช้าเลยนะเพราะว่ากรุงเทพนี่ออกสายนี่รถติดขณะที่กำลังกินข้าวกันอยู่ลูกสาวนะอายุก็ แปดเก้าขวบเกิดทำแก้วน้ำแตกตกมาจากหลุดมือแนละ้วตกมาแตกเลยพ่อก็ไม่พอใจก็ด่าว่าลูกไม่ใช่แค่ตักเตือนนะแต่ว่าด่าว่าลูกเลยทีเดียวใช้อารมณ์แม่เห็นก็ไม่พอใจ ตัวเลยต่อว่าพ่อพ่อก็เลยหันมาทะเลาะกับแม่ทะเลาะกันอยู่พักใหญ่เหลียวดูนาฬิกาพอเพราะวามันเลยเวลาทีา่ควรออกจากบ้านไปต้องห้านาทีสิบนาทีแล้วพ่อก็เลยเรีบไปเก็บของเก็บใส่เสื้ออาเรียกว่าคว้ากระเป๋า เอกสารแล้วก็รีบนะขับรถไปส่งลูกแต่เนื่องจากนะออกจากบ้านช้าจากที่เคยออกนะี่สิบนาทีอย่างที่บอกไว้แล้วกรุงเทพนี่ถ้าออกออกช้าไปสิบนาทีบางทีก็หมายถึงความแตกต่างเป็นชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงเลยทีเดียวคือออกช้าก็รถติดเนี่พอรถติดก็ไปส่งลูก สายนะลูกก็ถูกครูว่าถูกครูลงโทษอันนั้นยังไม่เท่าไหร่ตัวเองก็ไปทำงานสายด้วยแล้ววันนั้นเนี่ยตัวเองมีประชุมใหญ่ประชุมสำคัญกับลูกค้าพอไปทำงานสายก็ถูกเจ้านายว่าเอาแค่นี้นไม่พอพอไปประชุม บอกว่าเอกสารสําคัญนะที่จะนํามาเสนอลูกค้าลืมไว้ที่บ้านเพราะตอนนั้นรีบไงรีบก็เลยคว้าแต่กระเป๋าแต่ว่าเอกสารเนี่ยลืมเก็บใส่กระเป๋ามาด้วยไม่มีเอกสารสําคัญเสนอลูกค้างานประชุมก็เลยไม่ได้ผลก็ถูกเจ้านายต่อว่าหนักขบิดเช้าวันนั้นก็เลยอารมณ์เสียก็ทําให้ ตอนบ่ายนะไม่มีอารมณ์ทํางานทํางานไม่ได้เลยนะหัวเสียทั้งวันแต่ยังทะเลาะ ก, กับเพื่อนอีกนะเพราะว่าพอหัวเสียแล้วพูดเพื่อนพูดอะไรไม่ถูกหูหน่อยก็บวยวายใส่ทะเลาะ ก, กับเพื่อนงานเสียแล้วยังยังทะเลาะ ก, กับผู้คนอีกจนถึงตอนเย็นนะความหัวเสียความงานุน ก, ก็ยัง กลุ่นอยู่ในจิตใจขับรถกลับบ้านก็เลยเกิดนะมีการปาดกันขึ้นมารถไปเฉียวไปเฉียวไปชนเขาเพราะว่าไม่มีสติกับการขับรถเสียเวลานะเสียเวลาที่ทำให้ต้องรอประกันต้องเคลียร์เรื่องราวต่างๆก่อน กลายเป็นว่ากลับถึงบ้านสายมอหมองทั้งวันถึงบ้านแล้วนี่ก็ยังเครียดอีกลูกก็ดีเมียก็ดีเห็นหน้าก็ไม่อยากคุยด้วยบรรยากาศก็กมอนตึงไม่ต่างจากตอนเช้าเลยคุยได้สักพักนี้อากินาได้สักพักลูกก็ไม่อยากอยู่ละลูกก็รีบออกจาก ออกจากโต๊ะไปไปเก็บตัวอยู่ในห้องของตัววันนั้นก็คืนนั้นก็กลายเป็นว่าไม่มีใครนอนอยางมีความสุขมีความเครียดนี่ถ้าดูนะชีวิตของอผู้ชายคนนี้ตลอดทั้งวันเนี่ยก็จะพบว่ามันเต็มไปด้วยเรื่องที่ไม่น่าพิรมเลยมีแต่ปัญห า, าถ้าจะมอง แบบชาว บ, บ้านก็เลือกเป็นวันสวยนะยกวสวยทั้งวันเลยมีแต่เรื่องที่วุ่นวายไม่รับรื่นทุกคนเลยนะตั้งแต่พ่อแล้วก็ลูกลูกนี่ก็ถูกครูว่าถูกครูลงโทษนะก็แย่ภรรยาก็อารมณ์เสียแต่ตัวพ่อนี่หนักนะเจอทั้งวัน ที่จริงแล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องของเคราะห์เลยนะถือมาจเรลว่าเป็นวันสวยทั้งหมดนี้มันก็เริ่มต้น้เรื่องแย่ๆมันก็เริ่มต้นมาจากเหตุการณ์ตอนเช้าแล้วก็คือลูกทำแก้วน้ำตกแล้วก็พ่อก็ว่าลูกอะไรคือเป็นจุดเริ่มต้นนะของอเหตุการณ์ที่แย่ๆที่ทำให้สวยทั้งวัน บางคนจะบอกว่าเป็นเพราะลูกทำแก้วน้ำตกแต่ที่จริงนั่นมันยังไม่ใช่จุดเริ่มต้นนะเพราะว่าถึงแม้ลูกทำแก้วน้ำตกแต่สมมติว่าพ่อเนี่ยไม่ว่าลูกนะมันก็ไม่เกิดเรื่องอื่นตามมาใช่เราลองสมมติอีกแบบหนึ่งว่าพ่อนะก็แค่พูดกับลูกดีๆว่ า, ากินน้ำนะก็ให้ระวังหน่อยให้มีสติหน่อยนะ แทนที่จะดาว่าลูกอย่างเสียหายก็พูดแนะนำลูกดีๆก็ไม่เกิดการทะเลา ะ, ะกับภรรยาการกินอาหารก็เป็นไปตามปกติพอได้เวลาพ่อก็ไปเก็บเอกสารใส่กระเป๋าเพราะว่าไม่ได้รีบอะไรสามารถที่จะออกจากบ้านตามกำหนด รถก็เลยไม่ติดสามารถที่ไปส่งลูกได้ทันเวลาก่อนเวลาด้วยซ้าส่วนตัวเองก็ไปถึงสานักงานได้ทันเวลาถึงเวลาประชุมก็เอกสารที่เตรียมมาจากบ้านก็เอานามาเสนอลูกค้าการประชุมก็จบลงได้ดีะเจ้านายก็ชมตอนบ่ายก็ สามารถจะทํางานได้อย่างปกติเพื่อนมาพูดอะไรก็ไม่ได้โกรธเพราะไม่ได้หงุดหงิดตั้งแต่แรกวันนั้นบ่ายวันนั้นก็ทํางานได้รับรื่นนะปกติเฮฮาสนุกสนานกับเพื่อนยอกรอกันนะถึงเวลากลับบ้านกนะ็ขับรถไปกลับบ้านนี่ก็ไม่ไม่หัวเสียก็เลยไม่เกิดอุบัติเหตุไปถึงบ้านได้ ตามกำหนดเวลานะเจอลูกเจอเมียก็สนทนาปล า, ายดีถึงเวลากินข้าวก็พูดคุยสนทนากันหยอกล้อกันทุกคนแช่มชื่นเสร็จแล้วนะทุกคนถึงเวลานอนทุกคนก็กลับเข้าห้องนอนนอนหลับสบายฝันดีแน่เจได้ว่าเหตุการณ์สองเหตุการณ์มันคนละเรื่องเลยนะ มันคนละเรื่องเลยแทบจะเรียกว่าหนังคนละม้วนก็ได้แต่มันเกิดจากความแตกต่างนี่มันเกิดจากจุดเริ่มต้นแค่จุดเดียวก็คือว่าตอนที่ลูกทำแก้วน้ำตกเนี่ยพ่อมีปฏิกิริยาอย่างไรถ้าพ่อโกรธนะนนด่าว่าลูกมันก็ ชีวิตก็ไปอีกทางหนึ่งแต่ถ้าพ่อไม่ด่าว่าลูกพ่อแนะนําลูกดีๆมันก็ไปอีกทางหนึ่งนะังั้นจุดเริ่มต้นที่สําคัญมันไม่อยู่ที่ว่าลูกทำอะไรแต่มีที่ว่าพ่อเนี่ยมีปฏิกิริยาอย่างไรนะเมื่อลูกทําแก้วน้ําตกและการที่พ่อนะจะมีปฏิกิริยาอย่างไรขึ้นว่าพ่อนี่มีสติหรือเปล่า ถ้าพ่อไม่มีสติพาอก็ว่าลูกแล้วก็เกิดเรื่องยืดยาวตามมาแต่ถ้าพ่อมีสตินะหรือว่ารู้จักจอดกลั้นหรือว่ารู้เท่าทันอารมณ์ของตัวก็ไม่พูดจากับลูกแรงๆมันก็ไปอีกทางหนึ่งนะถ้าคนเรานี่มักจะมองว่าไอ้ความชีวิตของเราในแต่ละวันเนี่ยนะ ถ้าวันไหนมันไม่ราบรื่นเนี่ยเป็นเพราะว่าเคราะห์เป็นเพราะความซวยแต่ที่จริงแล้วมันเป็นเพราะการกระทําของเราต่างหากอย่างเรื่องนี้ก็เป็นเพราะการกระทําของพ่อมันไม่ใช่เป็นความซวยความเคราะห์กรรมที่ไหนมันไม่ใช่เป็นการกระทําของลูกด้วยพ่อไม่ว่าลูกจะทําอย่างไรนะถ้าพ่อนี่ถ้ามีสติก็สามารถทําให้วันนั้นกลายเป็นวันดีได้ถามว่าพ่อเนี่ยทำไมไม่มีสติ ทำไมถึงด่าว่าลูกก็อาจจะเป็นเพราะว่าตอนเช้าตื่นนอนขึ้นมาพอไม่ได้ดูแลจิตใจของตัวพอล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็ จ, จะเริ่มต้นด้วยการเปิดดูโทรทัศนะ์เปิดดูโทรทัศน์ข่าวยามเช้านี่มันก็มีแต่เหตุการณ์ร้ายๆเหตุการณ์บ้านเมือง เหตุอายา ก, กรรมที่ทำให้เกิดความขุนเคืองใจหรือบางคนก็อาจจะเปิดเฟซบุ๊กเปิดเฟซบุ๊กนี่ก็มันมีแต่เรื่องที่ไม่ค่อยจเจริญใจเท่าไหร่บางทีก็มีการคอมเมนตะ์แสดงความเห็นทางการเมืองที่ไม่ถูกใจตัวเองก็ขุนมัวขุนมัวตั้งแต่เช้าเลยนะพอขุนมัวตั้งแต่เช้านี่ มันก็กระทบได้ง่ายนะเวลาเห็นลูกทำแก้น้ำตกก็ใส่ลูกทันทีแต่ถ้าเกิดว่าเช้าวันนั้นนยหรือทุกเช้าเนี่ยพ่อพอล้างหน้าแปรงฟันเสร็จ ก, ก็ทำสมาธิหรือว่าสวดมนต์หรือว่าทำความสงบนะทำสิ่งดีๆอาจจะรดน้ำต้นไม้ ใจสงบนะใจมีสติเป็นกุศลก็ทำให้เวลาเห็นลูกทำแก้น้ำตกพ่อก็ไม่ได้โกรธนะพ่อก็สามารถจะแนะนำลูกดีๆได้แล้วก็ทำให้วันนั้นทั้งวันนะเป็นไปอย่างราบรื่นเอาเพื่ะนันการเริ่มต้น ในแต่ละวันของเราเนี่ยสำคัญนะว่าเราเริ่มต้นด้วยอะไรนะถ้าเราเริ่มต้นดีเราเลือกที่จะทําว่าสวดมนนั่งสมาธิหรือว่าทําสิ่งดีๆมันก็ทําให้ชีวิตของเราทั้งวันราบรื่นไปได้ถึงแม้จะมีเหตุขุกนคลักมีเรื่องที่มากระทบแต่ว่าก็ไม่กระเทือนใจลูทําแก้วน้ําตกก็ไม่โกรธหรือว่ารถติดก็ไม่หงุดหงิด เพราะว่าเราเอารมดีหรือว่าเราเตรียมใจมาตั้งแต่เช้ารักษาใจดีมันก็ทำให้ทั้งวันผ่านไปด้วยดีนะไม่มีเหตุร้ายแต่ถ้าเราเริ่มต้นนะวันไม่ดีมันก็ทำให้เราจิตใจกับเพื่ม ง, ง่ายพอมีอะไรมากระทบอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆแต่พอมีปัจจัยกริยาออไปมันก็ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่เล็กกลายเป็นใหญ่นะ สะสมกันดังั้นวันดีของเราหรือวันไม่ดีของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เคราะห์มันอยู่ที่การกระทำของเราจะเรียกได้ว่ามันอยู่ที่มันเป็นสิ่งที่เราเลือกได้นะเราเลือกจะทำให้วันของเราเป็นวันดีหรือวันร้ายก็ได้นะมันอาจจะเริ่มต้นที่ว่าเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วเราเลือกที่จะทำอะไรหลังจากล้างหน้าแปรงฟันเราเลือกที่จะ เสพอารมณ์ที่มันเสพอารมณ์หรือรับผัสสะที่มันเป็นอกุศลหรือว่าทำสิ่งดีงามที่เป็นมงคลมันนี่มันอยู่ที่การเลือกของเรานะหรือถึงแม้เราจะไม่ได้เริ่มต้นวันในลักษณะ น, นั้นแต่ว่าพอเจอเรื่องที่มากระทบเช่นลูกทำแก้วน้ำตกแตก เรามีสติเราเลือกที่จะไม่าด่าว่าลูกมันก็ทําให้วันแต่ละวันของเราหรือวันนั้นทั้งวันของเราเนี่ยเป็นไปดีดีวันดีหรือวันไม่ดีนะมันอยู่ที่อาการเลือกของเราด้วยนะและเวลามีอะไรมากระทบเราก็เลือกได้นะว่าเราจะมีปฏิกิริยาอย่างไร จะต่อว่าหรือว่าแนะนำจะวุว่นวายออกไปหรือว่าใจนิ่งสงบหรือถ้าใจแม้อาจจะไม่นิ่งสงบแต่ว่าเราไม่ใช้วาจาที่รุนแรงตรงนี้เราเลือกได้มันอยู่ที่การตัดสินใจของเราแล้วก็อย่างที่เห็นนะถ้าเราปล่อยใจไปตามอารมณ์ มันก็นําไปสู่ความทุกข์นำไปสู่ความวุ่นวายแต่ถ้าเรามีสตินะมันก็นําไปสู่ความราบรื่นความปกติได้ทางหนึ่งไปสู่ทุกข์อีกทางนึงไปสู่ความไม่ทุกข์หรือความสุขและต้องสองทางเนี้จะไปทางไหนอยู่ที่การเลือกของเรานะไม่ใช่อยู่ที่การกระทําของลูกแต่อยู่ที่การกระทําของพ่อซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพ่อเลือกได้นะ ว่าจะววยวายหรือว่าสงบหรือเพียงแค่แนะนำในทุกในทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันมีทางเลือกเสมอนะทา ง, งไปสู่ทุกอีกทา ง, งไปสู่ไม่ทุกเช่นสมมุติว่าเกิดทะเลาะกับภรรยาพาอไปต่อว่าลูก เราก็ต้องรีบไปเก็บไปรีบไปทำงานไอตอนที่ไปไปเก็บไปคว้ากระเป๋าเอกสารนี่ถ้ามีสติสักหน่อยก็จะเห็นเอกสารนะในเอกสารที่วางไว้บนโต๊ะพอเห็นก็เก็บใส่กระเป๋าก็ไม่เกิดปัญหาตามมาในเวลาประชุมนะหรือว่าเกิดว่า ลืมกระเป๋าเอกสารแล้วก็ไปประชุมไม่ได้เรื่องถูกเจ้านายว่าแต่ถ้ามีสตินะก็วางมันลงซะตอนบ่ายทำงานก็ทำงานอย่างมีสติไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นตอนเชา้าก็ช่างมันมันผ่านไปแล้วปล่อยวางเรามาเริ่มต้นกันใหม่ตอนบ่ายก็สามารถจะทำงานได้เป็นปกติ เพื่อนมาพูดกวนหูนะหรือเพื่อนมาหยอกล้อ ก, ก็ไม่หัวเสียก็สามารถจะคุยกับเพื่อนได้ด้วยดีเช้าวันนั้นอาจจะงานไม่สําเร็จแต่ว่าตอนบ่ายงานก็ราบรื่นเพราะมีสตินะพอมีสติเข้าเวลากลับบ้านไม่หงุดงิดไม่หัวเสียก็ไม่เกิดอุบัติเหตุกลับถึงบ้านได้ปลอดภัยคือในช่วงในทุกจังหวะนะ ของแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้นะว่าจะจะพาตัวเองเนี่ยไปสู่ความทุกข์หรือความไม่ทุกข์ทั้งหมดนี้อยู่ที่ว่าเรามีสติหรือเปล่าแต่ละจังหวะแต่ละจังหวะเนี่ยมันมีทางเลือกอยู่เสมอช่วยเป็นทางแพร่งกันได้ทางไปสู่ทุกข์ทางไปสู่ความไม่ทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าอยู่ที่ว่าเราหลงหรือเรารู้ ถ้าเราหลงนะมันก็พาไปสู่ทุกข์ถ้าเรารู้มันก็พาไปสู่ความไม่ทุกข์รู้ในที่นี้เนี่ยไม่ต้องรู้อะไรมากก็คือรู้ตัวรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นนะสามารถที่จะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่างๆโดย ด, ยดีในทุกในทุกในทุกขณะหรือว่าในทุกช่วงของเหตุการณ์ต่างๆ สุขทุกข์เนี่ยจึงสามารถจะบอกได้ว่าอยู่ที่เราเลือกนะสุขทุกข์มันอยู่ที่เราเลือกมันอยู่ที่เพราะมันอยู่ที่การกระทําของเราว่าเราเลือกจะทําอะไรถ้าเราทําด้วยความไม่มีสติทําด้วยความหลงมันก็จะพาไปสู่ความทุกข์ถ้าเราเลือกที่จะทําด้วยสติมันก็จะพาไปสู่ความไม่ทุกข์หรือไม่มีปัญหาอาจจะเป็นความสุขด้วย ก, ก็ได้หลายคนมักจะบอกว่าเนี่ยฉัน ชอนทุกเพราะคนนั้นคนนี้นะที่จริงไม่ใช่นะมันอยู่ที่เราเองเรื่องทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะลูกทำแก้วน้าตกแต่อยู่ที่พ่อเนี่ยทำใจไม่ถูกวางใจไม่เป็นก็เลยมีปฏิกิริยาออกไปในทางที่ก่อปัญหาจะไปโทษลูกไม่ได้นะต้องโทษตัวพ่อนะแต่คนเรานี่มักจะไปโทษภายนอกนะ ไปโทษสิ่งภายนอกพอเขาทำให้ชีวิตเราวุ่นวายทำให้วันของเราเป็นวันสวยทั้งวันที่จริงไม่ใช่แต่เป็นเพราะการกระทําของเราอย่างที่ผู้ไวเมื่อวานนว่ามันไม่มีใครขุมยความสุขไปจากใจของเราได้ถ้าไม่มีความสุขก็เพราะเราทำลายความสุขของตัวเองหรืออย่าง น, น้อยๆก็เปิดช่องให้คนอื่นเข้ามาเล่นงาน ทำลายความสุขในใจเรามันอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นอยู่ที่ตัวเราเป็นหลักนะในทุกในทุกภษะในทุกกิจกรรมเนี่ยให้ตระหนักอยู่เสมอว่านะมันเป็นมันมีทางแพร่งทางแยกเป็นสองอยู่เสมอคือทางที่ไปสู่ทุกข์กับทางที่ไปสู่ความไม่ทุกข์นะมันเป็นคนละทางกันเลยเหมือนกับถ้า ถ้าเราอยู่บนถนนเนี่ยเราเลือกได้ว่าเราจะไปซ้ายหรือขวาหน้าหรือหลังมันไปได้สองทางแล้วเป็นทางตรงและข้างทั้งสิน้นจะไปซ้ายหรือขวาหน้าหรือหลังอยู่ที่การเลือกของเรานะซึ่งถ้าเป็นเรื่องของการที่เจอเหตุการณ์ที่มากระทบก็อยู่ที่ว่ามันมากระทบแล้วเนี่ยเราหลงหรือเรารู้นะ หลงก็คือหลงเข้าไปในอารมณ์รู้คือรู้ทันอารมณ์ตรงนี้เป็นตัวตัดสินเลย น, นะว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะเดินหน้าไปสู่ทุกหรือเปล่าหรือไปสู่ความไม่ทุกนั้นทุกหรือความไม่ทุกเนี่ยอยู่ที่การเลือกของเรานะและการเลือกของเราเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเรามีสติหรือเปล่าเจ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ ไม่มีสติกับเหตุการณ์เมื่อเจอเหตุการณ์ต่างๆมากระทบแล้วแสดงอารมณ์ออกไปด้วยความโกรธทำบ่อยๆทำบ่อยๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นวงจรนะในสมองของเรานะวงจรในสมองเนี่ยมันจะมันจะค่อยๆแข็งตัวมันค่อยกอดตัวแล้วก็แข็งตัวมากขึ้นแน่นหนามากขึ้นถ้าเกิดเราทำซ้าๆใครก็ตามนะที่เจอ อะไรมากระทบแล้วโกรธไม่พอใจเนี่ยมันจะค่อยๆมันจะค่อยๆสะสมเป็นนิสัยจกนกระทั่งแสดงความโกรธได้เร็วมากอันนี้ภาษาภากเรียกว่ามันมีอาสวะมันมีอนุสัยอนุสัยที่สะสม ม, มากๆเขาก็ทําให้มีปฏิกิริยาไปในทางนั้นเช่นอนุสัยในทางที่เป็นโทสะมีอะไรมากระทบแม้เล็กน้อยก็โกรธละกลายผลโกรธง่าย ความโกรธง่าย น, นี่ไม่ใช่เพราะว่ามีอะไรมากระทบเราแต่เป็นเพราะเราสะสมอนุสัยแบบนี้เอาไวนะ้นะถ้าพูดทางวิทยาศาสตร์คือมันมีวงจรในสมองในเซลล์สมองของเราที่มันก่อตัวแล้วก็แข็งตัวแน่นหนามันก็กลายเป็นทางเดินของจิตมันก็กลายเป็นนีไซนของตัวเราไปทางเดินของใจของเราเนะี่ยมัน บางทีมันเหมือนเปลี่ยนมือนกแนนะัแม่น้ํำนะแม่น้ําหรือเส้นทางเดินของน้ําเนี่ยคือถ้ามันมันไปทางไหนเนี่ยไอเส้นทางนั้นเนี่ยมันก็จะกว้างขึ้นกว้างขึ้นแล้วก็ลึกขึ้นแม่น้ํำสายใหญ่ๆที่เราเห็นเนี่ยเดิมทีมันก็เป็นแค่ลําห้วยลำธารเล็กๆแต่พอน้ําผ่านไปผ่านไปผ่านไปนไปะเวลานานๆเข้ามันก็กลายเป็นแม่นม้ํากว้างขึ้นลึกขึ้น เราเปลี่ยนเส้นทางน้ําได้นะเหมือนกับเราเปลี่ยนเส้นทางเดินของใจของเราแต่ก่อนเราเป็นคนขี้โกรธนะเราสามารถที่จะเปลี่ยนทางเดินของใจให้กลายเป็นความไม่โกรธนะได้แต่ไม่ต้องใช้เวลานะเราเปลี่ยนเส้นทางน้ําก็ด้วยการค่อยๆขุดคลองนะหรือสร้างทางน้ําใหม่ทีแรมก็เป็นทางน้ํำสายเล็ก แต่ตราที่น้ำทางน้ํำยันเป็นสายเล็กๆเนี่ยน้ําก็ไม่ไปนะมันก็จะไปทางสายเดิมแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่ท้อไม่ถอยเราก็พยายามพยายามขุดพยายามขยายทางน้ําไปเรื่อยๆไม่นานนะน้ําส่วนนึงก็จะค่อยไหลไปทางใหม่แล้วพอไหลบ่อยๆไหลบ่อยๆทางน้ําเส้นใหม่มันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็ลึกขึ้นถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะ น้ำนี่มันไปทางสายใหม่เลยแล้วมันก็ไม่ค่อยไปทางสายเก่าแล้วทางสายเก่าก็จะเริ่มแคบลงแคบลงทางสายใหม่ก็จะกว้างขึ้นกว้างขึ้นใจเราก็เหมือนกันนะนี่สายใจคอเราก็เหมือนกันถึงมาเราเป็นคนขี้กลัวเราเป็นคนหลงนะฟุ้งซ่านแต่ว่าเราสร้างทางเดินของใจไปทางที่เป็นความเมตตาเป็นความไม่หลงเป็นความรู้ตัวได้ ก็โดยการฝึกนการเจริญสติของเราอันนี้คือการสร้างเส้นทางสายใหม่ของใจให้มันเป็นให้มันไปในทางที่เป็นกุศลเป็นทางที่ไปสู่ความไม่ทุกข์และสุดท้ายไอ้ทางสายเดิมมันก็จะค่อยแคบลงแคบลงจนกระทั่งบางติดตันไปหรือถึงไม่ตันมันก็เป็นทางที่เล็กลงเหมือนกับเจ้าพยาเนี่ยเจ้าพยาที่มันผ่านธรรมศาสตร์เนี่ย บางคนไม่รู้นะว่ามันจริงๆตะก่อนเป็นคลองมันเป็นคล อ, องเส้นเล็กๆเจ้าพญาของเดิมเนี่ยคือคลองมะกอก น, น้อยนะแต่ว่ามันเป็นคลองมันเป็นเส้นทางที่โค้งนะพระเจ้าแผ่นดิ น, น ส, มสมัยสมัยวิทยาเนี่ยพระชายาชาท่านอยากจะตัดคลองตัดอยากจะเรียกว่าทำทางรัดทำทางแล้วก็เลยขุดคลองอันนี้ทำให้ทางมันรัด แต่ว่าพอทําไปทําไปนานไปนานไ ป, นนไปมันไม่ใช่คลองแล้วมันกลายปเป็นแม่น้ำเป็นแม่น้ําสายใหญ่เลย น, ะน้าเจ้าพยาเนี่ยส่วนคลองอ่าส่วนแม่เจ้าพยาสายเดิมเนี่ยมันก็ค่อยกลายเป็นคลองไปนะจนปัจจุบันเราก็เรียกคลองมากรอกน้อยแต่จริงๆเนะี่ยมันคือเจ้าพยาเดิมนะใจของเราเนี่ยมันก็เหมือนกันนะเราสามารถที่จะสร้างทางเดินของใจ เป็นทางแห่งเมตตาเป็นทางแห่งความรู้ตัวความมีสติได้แล้วก็ทำให้มันไม่ไปสู่ความหลงไม่ไปสู่ความกลัวไม่ไปสู่ความทุกข์อีกต่อไปอยู่ที่การฝึกของเราอยู่ที่การเลือกของเราว่าเราจะให้ใจของเราไปทางไหนซึ่งกหมายถึงอยู่ที่การเลือกของเราว่าจะให้ชีวิงเราเนี่ยไปในทางที่เป็นกุศล เป็นสุขหรือว่าเป็นอกุศลหรือว่าเป็นทุกข์อร่ะชาตินี้ก็พูดกันเท่า น, นี้